ตั้นองค์พระกุมารเล็กๆนั่งประทับรออยู่เฉยๆและก็ไม่ได้มีตันหาคือความอยากในอะไรลมให้ใจเข้าออกของพระองค์จึงปรากฏแก่จิตจิตก็จับกำหนดก็ในปฐมฌานอย่างบริสุทธิ์ ประสจากปัญหาคือความหวากอยากว่าจะไม่เป็นพรหมเป็นเทพหรือไปเป็นอะไรตามมิสัยของจิตของเด็กๆ เ, เล็กๆซึ่งเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วจิตที่จะบริสุทธิ์เหมือนอย่างเด็กเล็กๆดังนี้หายากเข้าเพราะเมื่อรู้เรียนสามารถขึ้น ตันหาคือความอยากต่างๆก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมาปฏิบัติธรรมะเกนฑาออกบวชเป็นฤาษีชีไพรหรือออกบวชในละทิใดละทิหนึ่งัวล้วนแต่ออกบวช ด, ด้วยตันหาคือต้องการ เกิดเป็นนั่นเกิดเป็นนี่ต้องการได้นันได้นี่แต่ว่ายังไม่ได้อวนรุดจักว่าเพื่อดับกิเลสเพื่อดับกันหา ไม่รู้จักที่จะทำกิตให้เป็นอุบัติกูเป็นอุบเบกขาคือวางเฉยล้วนแต่เป็นไปเพื่อผลที่ต้องการตามคำสอนของอาจารย์นั้นนั้นหรือตามลัทธิของอาจารย์นั้นนฉะนั้นจิตยังไม่บริสุทธิ์เหมือนยังเด็กที่ยังไม่เรียงสาอะไรนัก เพราะฉะนั้นภาวะของจิตที่บริสุทธิ์อย่างจิตเด็กที่ไม่เดียงสาอะไรนักนี้เป็นข้อที่แม่ผู้ใหญ่เองที่ต้องการปฏิบัติธรรมะก็พึงนึกถึงและพึงใช้ปฏิบัติ มันจะต้องทาจิตให้เหมือนอย่างนั้นแล้วพุทธเจ้าเองก็ทรงได้องค์เองเมื่อทรงเป็นพระกุมาร น, น้อยนที่เป็นอาจารย์จริงๆแล้วก็ทรงนำเอาวิธีของอาจารย์น้อยน้อยคือพระองค์เองเมื่อเป็นเด็กนั้นมาทรงปฏิบัติต่อโดยทรงทาจิตให้บริสุทธิ์ คือปฏิบัติทำสมาธิไปให้จิตรวมเข้าโดยไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการเพื่ออยากเกิดเป็นน้อนเป็นนี่อะไรแม้ว่าจะมีความต้องการอยู่ก็ต้องการเพื่อ่ิะได้ตัสรู้ต้องการที่จะพ้นทุก ซึ่งก็เป็นตัญหาอย่างละเอียดอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่แม้เช่นนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเพื่อละเสียดังที่ท่านพระอนนท์ได้แสดงอธิบายคือตามหลักที่ว่า อาศัยตันหาละตันห า, นหาเสียซึ่งท่านพระอานนท์ได้แสดงอธิบายไว้ว่ า, าก็คือคิดว่าชนไหนจึงจะได้ทำทุกนี้ให้สิ้นไปและปฏิบัติทำทุกข์ให้สิ้นไป ดังนี้เรียกว่าอาศัยตันหาละตันหาพูดตรงๆก็คือว่าอยากที่จะสิ้นทุกข์จึงปฏิบัติเพื่อสิ้นทุกข์แต่ว่าในที่สุดเวลาที่จะสิ้นทุกข์ก็ต้องละตันหาอย่างละเอียดนี้เสียเหมือนกัน ทำไมเช่นนั้นก็ถึงความสิ้นทุกข์ไม่ได้ดังเช่นที่ได้เคยแสดงแล้วก็คือองค์ของท่านพระอานนท์เองที่ท่านยังเป็นเสขบุคคลคือยังเป็นพระโสดาบันยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหรันต จนถึงวันที่จะทำปฐมสังขายนาบรรดาพระเถระที่จะเข้าประชุมทำปฐมสังขายนานั้นท่านพระมหากัตสปเถระผู้เป็นประธานได้เลือกพระเถระที่เป็นพระราหัตทั้งหมด เว้นแต่ท่านพระอา น, นุ์องค์เดียวที่ยังเป็นเสฆบุคคลแต่ว่าท่านพระมหากัสปะเทระก็เลือกพระอ น, นุ์เข้าเพราะเป็นภูที่ได้ทรงทรรมทรงวินัยคือจำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าได้เป็นอย่างนี้เลิศ ท่านจะขาดท่านเสียไม่ได้เมื่อถึงวันที่จะทำปฐมสังคยนาท่านพระมหากัสสปาก็เตือนท่านพระอานนท์ว่าให้บำเพ็ญสมณธรรมด้วยความไม่ประมาทท่านพระอานนท์ก็ได้ บำเพ็ญสมณธรรมอย่างยิ่งยวดเมื่อท่านทาไปในราตรีที่รุ่งขึ้นจะเป็นวันเริ่มทำปฐมสังขานานั้นท่านก็ยังไม่บรรลุถึงธรรมะสูงสุด ท่านจึงคิดว่าจะพักจึงได้เอนอในขณะที่เอนองลงยังไม่ถึงอิริยาบถ ท, ที่เรียกวันนอนอย่างเต็มที่และก็ไม่ใช่อิริยาบถ ท, ที่นั่งอย่างเต็มที่คือในขณะที่เอนองลงนั้นจิตกฏของท่านก็พ้นจากอาสวะทางศ้น คือสำเร็จเป็นพระอระหันต์ซึ่งเรื่องนี้ท่านได้สแสดงอธิบายกันมาว่าท่านพระอนนท์นั้นท่านไปได้ปฏิบัติในมัชมีองค์แปดหรือที่เรียกว่าสมณธรรมนั้นมาอย่างสมบูรณ์ แต่เพราะยังมีตัณหาคือความอยากที่จะสำเร็จอันตัณหานี้เองเป็นเครื่องกัน้นมิให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเป็นพระอรหันต์ได้จนท่านคิดว่าจะพักจึงเององลงเพื่อพัก ซึ่งความคิดที่จะพักนั่นเป็นความวางตันหาพอท่านวางตันหาเสียได้คือตันหาที่ต้องการสำเร็จจิตของท่านก็พ้นจากอาสวะทันทีดังนี้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะอาศัยตันหาเพื่อละตันหาแต่ก็ต้องวางตันหา จึงจะละถ้ายังไม่วางตัณหาก็ยังละตัณหาไม่ได้จิตก็พ้นจากอาสวะไม่ได้สาเร็จไม่ได้ต้องวางตัณหาจึงจะละตัณหาจิตจึงจะพ้นจากอาสวะกิเลสได้เพราะฉะนั้นตามที่กล่าวมานี่ก็ได้แสดงถึงศีลในวัด ในภายนอกพุทธศาสนาและแม้ในพุทธศาสนาก็มีศีลและวัดคือศีลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ประพฤติและวัดคือข้อปฏิบัติต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติซึ่ง แม่ศีลแลวัดในพุทธศาสนานี้เองถ้าหากว่ายังประพฤติปฏิบัติด้วยตัณหาก็ชื่อว่ายังเป็นศีลปตุตตปาทานคือความยึดถือศีลแลวัด และได้มีคำเรียกอีกคำหนึ่งวาศีลพัตตปรามาธความยึดถือรูปคลัมศีลและวัดในสัญญติสิบแต่วาศีลพัตตปรามาธนี้ซึ่งมีอาการเป็นความยึดถือเช่นเดียวกับ ศิลปปุตตปาทานแต่ว่าหยาบกว่าและในการอธิบายศีลปตประมาทก็อธิบายคล้ายคลึงกันกับศีลปปุตตปาทานคือศีลและวัดในคําาศีลพปตประมาท ในสัญญติสิบนั่นก็หมายถึงศีลและวัดในภายนอกพุทธศาสนาตลอดจนถึงศีลและวัดในพุทธศาสนาเองคือเมื่อละศีลและวัดในภายนอกพุทธศาสนาแล้วมาปฏิบัติศีลและวัดในพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติด้วยตัณหาก็ชื่อว่ายังเป็นสีละพตปรามาตดแต่ว่าให้คำว่าปรามาดนี้แรงกว่าคำว่าอุปาทานคือหมายความว่าต้องรูปคลํา คือต้องจับเอาไว้ทาไม่จับเอาไว้ศีลและวัดก็จะขาดเป็นท่อนเป็นช่องด่างพร้อยด่างเช่นศีล สมาทานศีลห้ารักษาศีลห้าก็จะต้องจับยึดรักษาเอาไว้ถ้าไม่เช่นนั้นศีลห้าก็จะขาดเป็นท่อนเป็นช่องด่างพลอยคือจะต้องรักษากันอย่างกวดขัน ต้องจับต้องยึดกันไว้เหมือนอย่างการรักษาศีลห้าของสามัญชนทั้งหลายเพราะยังมีส ก, กายทิฏฐิความเห็นยึดถือว่าตัวเราของเราเป็นอย่างแรงเพราะฉะนั้นความประพฤต จึงเป็นไปตามอานาจของตัวเราของเราก็คือตามอำนาจของกิเลสตันหาทั้งหลายฉะนั้นจึงปรากฏว่าคนสามัญทั่วไปนั้นไม่อาจที่จะรักษาศิลนห้าไว้โดยไม่ให้ขาดเป็นท่อนไม่ให้ทะลุเป็นช่องไม่ให้ดางไม่ให้พลอย กันตลอดไปได้ต้องมีขาดต้องมีตอ่อกันอยู่เรื่อยๆดังจะพึงเห็นได้ว่าต้องมีการสมาทานกันอยู่เสมอทางนี้ก็เพราะว่าจิตสามัญยังเป็นไปตามอำนาจของติกิเลสตัณหาอยู่เป็นอันมาก จนกว่าจะละสากายทิฏฐิด้วยการเห็นธรรมะอันเป็นธรรมะจักสูุได้จึงจะไม่ต้องขอยยึดสีนเละวัดไวด้ดรายฉะนั้นจึงมีแสดงว่าระโสดาบันบุคคล น, นั้นมีสีลห้า บังเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเองและประโสดาบันนั้นไม่มีที่จะละเมิดที่จะล่วงศสินห้าโดยที่ประโสดาบันไม่ต้องรักษาไม่ต้องคอยจับคอยยึดแปลว่าปล่อยจับปล่อยยึดได้ ก็มีสินห้าขึ้นมาเองโดยที่จะไม่ลดเมิดเลยโดยที่จะไม่ละเมิดเล ย, ย, ล เ, เ, ลยเป็นธรรมชาติธรรมดาของพระโสดาบันเพราะฉะนั้นประสดาบันจึงละสัญยชดในสามคือสกาญทติธิความเห็นยึดถือว่ากายของเราคือเห็นยึดถือว่าตัวเราของเราซึ่งเป็นอย่างแรงละศีลปฏิรปรามาต ความรูปคลำคือจับยึดศีลและวัตเอาไว้และวิจิกิจขาความเคลือบแรลงสงสัยในพระรัตนตรยัยเพราะเห็นธรรมะที่เป็นตัวสมมทิทิแล้วพระโสดาบันจึงละสัญญตทั้งสามดังกล่าวก็เป็นอันว่า สำหรับศีลปตปรามาทนั้นละได้โดยโสดาปติมักแต่แม้เช่นนั้นก็ยังมีสารศีลปตุปาทานคือความยึดถือในศีลและวัดอยู่เป็นอย่างละเอียดเหมือนอย่างท่านพระอนตนท่านเป็นมุโสดาบันท่านละศีลปตปรามาทได้ แต่ว่ายังมีตัณหาที่จะจัดสรุ้จะชื่อว่ายังมีศีลปฏิปุปาฐานอยู่จนท่านวางและเมื่อท่านวางจิตของท่านก็มีมุตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งสิ้นทันทีดังนี้ศีลปติปปัต ฐานนี้จึงมีใจความที่คลุมอุปาทานคือความยึดถือทั้งหมดแม้ว่าเป็นพระโซดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีซึ่งสรรละมาได้โดยลำดับแต่ว่าก็ยังละอุปาทานที่พยายามละเอียดไม่ได้ จนกว่าจะเป็นพระราหันจึงละได้หมดเพราะฉะนั้นศีลปตุปาทานนี้จึงมีความที่คลุมไปได้ทั้งหมดซุ่มคลุมศีลปตปรามาด้วยแต่ว่าศีลปตปรามาดนั้นเป็นอย่างหยาบดังที่ได้กล่าวมาแล้วส่วนศีลปตุคลุมได้หมดอัน ศีลปตุปราฐานนางกล่าวมานี่ก็มีใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะพากันละพากันทิ้งได้หรือเป็นสิ่งที่เป็นของไม่ดีจำเป็นที่จะต้องแบ่งตามภูมิตามชั้น กล่าวคือถ้าเป็นศีลและวัตรในภายนอกพุทธศาสนาอันเป็นศีลลวัตรที่ผิดต่างๆนั่นก็เป็นอันว่าผู้นับคือพุทธศาสนาก็ต้องละต้องเว้นไปโดยลําดับและมาถึงศีลแลวัตรในพุทธศาสนาเองก็จะต้อง ละต้องเว้นเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่จะละจะเว้นก็ต้องสมาทานคือต้องรับถือปฏิบัติก่อนและจะต้องอาศัยตัญหาเพื่อละตันหาดังกล่าวมา น, นั้นคือยังจะต้องมีศีลปตปรามาต ศ, ศีลปตุปาทานอยู่ในการปฏิบัติมาโดยลำดับแต่ว่า ก็ยึดและปล่อยไปเป็นขั้นขั้นเหมือนอย่างคนเดินขึ้นบันไดซึ่งมีหลายขั้นก็ต้องขึ้นไปทีละขั้นและขั้นที่กำลังขึ้นอยู่นั้นก็จะต้องเหยียบอยู่บนบันไดทั้งสองเท้าในขั้นนั้นดังนี้เรียกว่ายังมีศีลปตะปรามาศีลปตุปาทานอยู่ในขั้นนั้น แต่ว่าที่จะก้าวขึ้นขั้นต่อไปนั้นก็จะต้องละขั้นที่กำลังยืนอยู่นั้นก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือว่าปล่อยขั้นที่กำลังยืนอยู่ทีแรกนั้นถ้าหากว่าไม่ปล่อยขั้นที่กำลังยืนอยู่ทีแรกนั้นยังคงยืนอยู่ในขั้นเดิมนั่นแหละก็แปลว่าก้าวขึ้นไปไม่ได้ดั ะ, ะนั้นก็ต้องปล่อย ขั้นที่หนึ่งก้าวขึ้นไปสู่ขั้นที่สองก็จะต้องยึดขั้นที่สองทรงตัวอยู่ในขั้นที่สองแล้วก็ปล่อยเดินขึ้นไปเป็นขั้นขั้นดังนี้จึงจะขึ้นสูงขึ้นไปได้เรืลําำดับจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็เป็นอันมาปล่อยได้หมดดังนี้ก็จ ะ, ะนั่น ในทางพุทธศาสนาที่แสดงธรรมะละเอียดนี้จึงไม่ใช่หมายความว่าข้อที่แสดงนั้นเป็นสิ่งที่มีโทษต้องละเสียหมดตั้งแต่เบื้องต้นต้ละเสียหมดตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็เป็นอันว่าปฏิบัติอะไรไม่ได้เหมือนอย่างว่ามีบันไดก็เป็นอันว่าขึ้นบันไดกันไม่ได้พอขึ้นบันไดแล้วก็จะต้องเหยียบขึ้นไปทีละขั้นสอนว่าอย่าให้เหยียบเหยียบแล้วไปยึด ดังนี้ก็เป็นนั้นว่าไม่ต้องขึ้นบันไดกันแล้กเป็นอันว่าก้าวขึ้นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องยึดจะต้องปล่อยไปโดยลำดับดังนี้ในเป็นขั้นขั้นไปนี่กล่าวในในในข้อที่เป็นข้อที่พึงปฏิบัติคือเป็นทางปฏิบัติอันถูกชอบแต่ว่าถ้าเป็นทางปัแล้วก็ต้องปล่อยเสียทีเดียวเมื่อต้องไปทดลองก่อนเห็นว่าเว้นจากการฆ่า มีเมตตากรุณาก็ไม่ต้องไปทดลองฆ่าซะก่อนเลยจึงเว้นละเสธทีเดียวแต่ในข้อที่พึงปฏิบัตินั้นก็ให้ปฏิบัติไปแล้วก็ต้องก้าวคนไว้เป็นขั้นๆดังกล่าวมา น, นี้ดังนี้เป็นอธิบายในสีและประตูปาทานความยึดถือศีนและวัดต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังโดยและตั้งใจทำความส ง, งบสืบต่อไป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 ในธรรมจะแสดงสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบตามระเถราธิบายของท่านพระสาิบุตรซึ่งได้แสดงอธิบายมาโดยลำดับ มาถึงข้อว่าสมมธิทิความเห็นชอบคือรู้จักอุปาทานรู้จักเหตุเกิดอุปาทาน รู้จักความดับอุปาทานรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทานและได้มีเทรอธิบายในข้อรู้จักอุปาทานว่าอุปาทานมีสี่ คือกามุปาทานยึดถือหรือถือมั่นกามทิฏฐุปาทานยึดถือหรือถือมั่นทิฏฐิศีลปปุตุปาทานยึดถือหรือถือมั่นศีลและวัต และข้อสีอัตาวาทุปาทานถือมั่นหรือยึดถือวาทะวาตนในที่นี้ได้แสดงอธิบายมาแล้วสามข้อขังตน จะอธิบายข้อที่สี่อัตวาทุปาทานยึดถือหรือถือมั่นวาทะวาตนอันคำว่าอัตตา ที่แปลกันวัดตนทางพุทธศาสนาได้มีแสดงไว้เป็นสองระดับคือระดับแรก พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้รักษาตนคุ้มครองตนฝึกตนและตรัสสอนว่าตนเป็นนาะคือที่พึ่งของตน ดังนี้ระดับหนึ่งตรัสสอนว่ามีใช่ตน